วันนี้เป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราเป็นวันเดือนเก้าดับเข้าพรรษามาก็กลึ่งพรรษาในวันนี้ต่อไปก็คงจะไหลไปเรื่อยๆผลสุดก็ออกพรรษาออกพรรษาก่อนับพรรษาบข้าพเจ้าได้พรรษาปีส6 ล่วงเลยไปต่อไปก็ปีหน้าอีกจำพรรษาอีกก็ได้พรรษาปี37ออกพรรษาอีกปีพรรษา38ไล่ไปเรื่อยอันนี้เป็นวันคืนเดือนปีผ่านไปผ่านไปพวกเราก็ไม่ได้คิด มีแต่ว่าวันเดือนวันคืนเดือนปีผ่านไปแต่ถ้าว่าไม่มีใครแนะนำสั่งสอนไม่มีใครให้ซ้ำเนียกซ้ำนึกพวกเราก็คงจะว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปเท่านั้นแต่ที่แท้ชีวิตของพวกเราล่วงไปด้วยชีวิตของพวกเราล่วงไปทุกวันทุกวันปีนี้อายุห้าสิบ ปีสองก็ใกล่ไปเรื่อยชีวิตของเราก็สั้นเข้าไปเรื่อยผลที่สุดก็ถึงจุดจบจุดจบของชีวิตเนี่ยชีวิตของคนเราลักษณะอย่างนั้นแต่พวกเราไม่ได้สำเนียกไม่ได้สานึกไม่ได้คิดอยู่เป็นวันวันอยู่เป็นเดือนเดือน อยู่เป็นปีผลที่สุดก็ถึงจดจบครอบรอบก็ถึงวันอาวสานก็ตายไปตายไปแล้วไม่รู้ไปไหนก็ไม่รู้หายเงียบไปแต่ละคนปู่ย่าตายายของพวกเราแต่ีเห็นคนตายเขาตายแล้วก็สะดุง้งเฮือกทีที่หนึ่งพอหายไปแล้วก็ลืมไปพอเห็นคนนั้นเขามาใกล้ก็สะดุง้งมาทีหนึ่ง พออยู่ใกล้ตัวจริงๆก็เสียอกเสียใจร้อ ง, องห่มร้องไห้ก็ไม่รู้จะทำยังไงอีกเหมือนกันแล้วก็จบไปทีนี้พอวันดีคืนดีก็มาเจอเข้ากับตัวเองก่อนที่จะตายก่อนที่จะหมดลมหายใจเข้าออกเป็นช่วงที่ทรมานทางจิตใจเป็นอย่างมากแต่จะทำยังไงได้พอมันมาเจอกับ เราเสียแล้วจุดนี้จะเป็นจุดที่พวกเราจะต้องได้เตรียมการเอาไว้จะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทการไม่ประมาทของพวกเรานี่ทำยังไงถึงจะทํายังไงพวกเราก็จะต้องตายหนีไปไม่พ้นสักคนแม้แต่รายเดียวแต่ว่าก่อนที่จะถึงจุดจบในวันนั้นพวกเราควรจะเตรียมตัวเอาไว้ตามหลักพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่าน แนะนำพร่ำสอนเอาไว้ตลอดถึงครูบาอาจารย์ท่านแนะนำกันมาเป็นทอดๆท่านให้พยายามสร้างคุณงามความดีอันนั้นคื อ, คอการเตรียมตัวไม่ประมาทส่วนหนึ่งจากนั้นก็ภาวนาทําจิตทําใจของตนเองละลึกถึงมรณะนุสติไว้อยู่เสมอว่าชีวิตของพวกเราเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่รู้จะจักหายไม่รู้จะล่นหายไปวันไหน ไม่รู้จะล้มตายวันไหนไม่มีเ ว, เวลาบอกกล่าวไม่ว่าเดือนนั้นปีนั้นปีนี้พวกเราจรึงจะล้มหายตายจากโรคอันนี้ไม่มีใครกำหนดหมายได้เพราะนั้นพวกเราทุกทุกท่านที่ได้ศึกษาธรรมะที่ได้มาปฏิบัติธรรมเมื่อได้ฟังธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วควรจะ นำธรรมที่ได้ยินโอปัญญโกน้อมเข้ามาหาตัวเองตัวของข้าพรเจ้าเนี่ยไม่รู้จะวันไหนจะต้องผ่านไปเหมือนกับผู้ที่ท่านผ่านไปแล้วความตายนี่เป็นการเสมอภาคกันที่สุดไม่มีใครจะยิ่งหย่อนกว่ากันอันนี้พวกเราให้สานึกสำเนียกว่าอยู่เสมอในใจของพวกเราอันนี้ท่านพระพุทธเจ้าส ม, มัจัดว่าเป็นผู้ไม่ประมาทระลึกถึงความตายจากนั้นก็ ทำคุณงามความดีสิ่งไหนที่พวกเราควรจะทำมีให้ทานรักษาศีลภาวนาและสิ่งที่เป็นประโยชน์ทิ่งที่เป็นสาระในชีวิตของพวกเราพวกเราก็ควรจะประกอบการสิ่งนั้นไว้ให้มากที่สุดคือไม่ให้เดือดร้อนตนและเดือดร้อนผู้อื่นทําสิ่งที่ดีที่ศีลธรรมแนะนํำท้ำสอน ที่พวกเราได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์จากนั้นก็มานำมาประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพวกเราเป็นครวาต์ก<อ>็ทานศีลภาวนาแต่สำหรับพระที่บวชในพระพุทธศาสนาเป็นแนวหน้าเป็นผู้ตัดขาดออกมาจากทางโลกแล้วก็ต้องศีลเป็นเบื้องตน้นสมาธิและกับปัญญา อันนี้คือหน้าที่ของพวกเราทุกๆ ท, ท่านควรจะตั้งอกตั้งใจทําประพฤติปฏิบัติจเจริญให้ยิ่งจเจริญให้มากแต่เราทําเหล่านั้นไปเพื่ออะไรอันนี้ก็คือต้องศึกษาจะต้องทําความเข้าใจถ้าหากว่าพวกเราถือว่าตายแล้วศูนพวกเราก็ไม่จําเป็นจะต้องสร้างคุณงามความดีอย่างอื่นไม่จําเป็นจะต้องมา ไหว้พระสวดมนต์รักษาศีลอย่างวันนี้ไม่จําเป็นสิ่งไหนที่เป็นของสนุกสนานเฮฮาสิ่งไหนที่เป็นความต้องการของพวกเราเราก็ทําอย่างนั้นไม่จําเป็นจะต้องทําในสิ่งที่พระธรรมคาสั่งสอนครูบาอาจารย์แนะนําถ้าหากว่าเราไม่ถ้าเราไม่เชื่อว่าตายแล้วเกิดนะ เราก็ทําตามอำเภอใจทําตามมัฏาใจทําตามต้องการแต่ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นชีวิตของพวกเราทุกๆ ท, ท่านเรามาจากไหนเราต้องมีอดีต ท, ที่ผ่านมาเมื่อวานมีปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้มีอนาคตวันพรุ่งนี้มีเพราะนั้นชีวิตของพวกเราในอดีตชาติมี ปัจจุบันชาติเดี๋ยวนี้มีอนาคตที่จะถึงวันต่อไปที่เราตายไปแล้วก็ต้องมีเพราะนั้นชีวิตของพวกเราไม่ใช่จบจู่เพียงขณะนี้เดี๋ยวนี้เท่านั้นเพราะนั้นพวกเราต้องเตรียมตัวพร้อมด้วยความไม่ประมาทสั่งสมบุญกุศลเข้ามาสู่จิตใจของพวกเรามีให้ทานรักษาศีลภาวนาเนี่ยอันนี้แหละคือหนทางที่พวกเราจะไปสู่สุขคติไปสู่ความสุข ไปประโลกภายภาคหน้าได้เพราะการกระทําทางกายทางวาจาทางใจของพวกเรานี่แหละเป็นหลักนอกจากนี้แล้วไม่มีทางอื่นเวลาเราจะล้มหายตายจากขันของเราเนี่ยความรู้สึกของเรานะะั่นะคือวิญญาณคือใจคือมโนคือผู้รู้เราจะเรียกยังไงก็ได้แต่สรุปแล้วก็คือใจ ถึงจะเรียกยังไงก็ไปอะไรก็คือใจของเราพอออกจากร่างกายนี้แล้วพอใจออกจากร่างกายก็ไปปฏิสนธิที่อื่นออกจากร่างกายป๊อใจของเราก็ลอยอลรอย่านี้ออกไปเราจะไปที่ไหนในช่วงนั้นนะ่ะเป็นช่วงที่ใจออกจากร่างกายนั่นนะ่ะบุญกุศลจะเข้ามาสวมบาปอากุศลจะเข้ามาเป็นเครื่องชี้ดำ เป็นยานพาหนะพาใจของพวกเราไปเกิดในภพภูมิต่างๆแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจไม่ได้คิดเรื่องบุญกุศลไม่ได้มีทานศีลภาวนาไม่ได้คิดถึงเรื่องบุญกุศลไม่ได้สั่งสมบุญกุศลไม่ได้สั่งสมคุณงามความดีไว้เลยนะเวลาเราใจขาดเรือวาเราเร า, เราตาย เออหรือเวลาเรามลานะภาพในขณะนั้นพอจิตกรุดออกจากร่างอา่เท่านั้นแหละายานพ า, าหนะที่จะมารับเร า, เารับดวงวิญญาณนั้นพาไปในภพภูมิต่างๆถ้าว่าเราทํากรรมชั่วกรรมชั่วก็จะมาเข้ามาล็อกมาพาไปในทางที่ชั่วไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปตกนรกไปเป็นเปรต อ, อย่างนี้เป็นต้น นะแต่ทางว่าบุญกุศลเรามีเราสร้างคุณงามความดีใส่ใจของพวกเราเวลาเมื่อใจขาดไปแล้วก็มียานมารองรับพวกเราพาไปเกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มนุษย์ที่มีร่างกายปกติจากนั้นก็ไปสู่ภพภูมิสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งลุกขเะเทวดาภูมิเทวดาตลอดถึงอากาศธาตุเทวดาเทวดาชั้นต่างๆ จะหลอดถึงผมมโลกแต่ถ้าหากว่าจิตใจของเราชำละหมดกิเลสระดับหนึ่งรู้แจ้งเห็นจริงจึดมัน่นในคุณงามความดียึดมั่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นผู้มีศีลห้าประจํากายวาจาใจของเราเป็นหลักจิตของเรารู้ยึดมั่นในพระไตรสาร ะ, ะคมยึดมั่นในศีลห้า อันนีค้คือเป็นแนวทางของพระโสดาบันเป็นอริยะบุคคลชั้นต้นแต่เมื่อเราล่วงรับดับขันไปแล้วพวกเราก็จะต้องไปสู่ภพภูมิของพระโสดาพระโสดาเนี่ยก็จะต้องมาเวียน่ายตายเกิดอีกพระโสดาบันมีสามระดับเอกพีชีเกิดชาติเดียว โกลังโกระเกิดสามชาติสัตตุะตะประมะเกิดเจ็ดชาติแปลว่าถึงอย่างมากพระโสดาบันแปลว่าถึงบรรไดขั้นต้นแล้วจะต้องก้าวขึ้นไปจากนั้นเขาเข้าสู่นิพพานแต่ถ้าหากว่าพระสักขาคามีเป็นผู้ชำระจิตใจเบาบางที่เหนือกว่าพระโสดาบันก็ชำระใจของท่าน พอตายไปท่านก็กลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งจากนั้นท่านก็บำเพ็ญจิตใจก็หลุดพ้นก็เป็นพระอระหันต์เกิดชาติเดียวพระสัคขาคาส่วนพระอนาคา เ, เมื่อยังมีชีวิตอยู่โดยมากท่านจะเป็นผู้มีสินอุโบโสถคือสินแปดเป็นอัตโนมัติโดยที่ไม่ได้จำเป็นจะต้องรักษาเป็นสินอัตโนมัติสาหรับศินพระอนาคามีในเมื่อท่านล่วงรับดับขันไป พระนาคามี่เนี่ยไม่ลงมาเหยียบโลกนี้อีกพอท่านมรณะภาพปุ๊บท่านก็ไปชูพรมพรมของพระนาคามีอยู่มีอยู่ห้าชั้นนะในหลักที่ท่านพูดเอาไว้ว่าอาวีหาอาตปาทุสสาทุสเสียกนิฐา่าพรมของพระนาคามีเป็น คือพรมของพระอนาคามีเป็นที่อยู่ของพระอนาคามีเป็นพรมห้าชั้นแต่พรมทั้งห้าชั้นเนี่ยท่านขึ้นไปแล้วท่านจะไม่ลงมาเกิดในมนุษย์นี้อีกมีแต่ท่านจะผันขึ้นไปเรื่อยๆคือเข้าสู่นิพพาน เ, เข้าสู่นิพพานไปเลยท่านจะไม่ลงมาเหยียบโลกนี้อีกไม่ลงมาเกิดอีกว่า ง, งั้นเถอะอันนี้คือพระอนาคามพระอนาคานี่อท่านได้สําเร็จเออ ราคะกามราคะนี่เด็ดขาดโทสะอารมณ์ทางใจของท่านเด็ดขาดจะไม่มีอารมณ์โทสะยังเหลือแต่โมหะคือความหลงติดในใจของพระอนาคามีอยู่เพราะฉะนั้นท่านจึงขึ้นไปชําระในพรมของท่านห้าชั้นนั่นต้องใช้เวลานานเลยจากด้านท่านก็เข้าสู่นิพพานาไม่มาเวียนว่ายตายเกิดนี่อีก อันนี้คือพระอริยมีอยู่สี่ขั้นพระโสดาพระสกทาคาพระอนาคาพระอรหันต์อันนี้คือเป็นพระอริยบุคคลโล ก, กุตตะธรรมนอกจากพระโสดาบรรลงมาแล้วแปลว่าโลกิยะโลกิยะนี่เสื่อมเพื่อพอประพฤติปฏิบัติอ น, นิสงสินทานภาวนาส่งขึ้นไป ก็ไปอยู่สวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งพรมชั้นใดชั้นหนึ่งแต่ก็ต้องลงมาเวียนไหวตายเกิดแต่ถ้าว่าเกิดขึ้นไปเกิดพรมเป็นพรมลงมาแล้วหรือไปสวรรค์ลงมาแล้วกรรมเก่านะี่ยังมีอยู่ด้กรรมเก่าที่เราทําไว้ในอดีตในชาติหนนหลังที่ผ่านมากรรมเก่านะ่าอาจจะพาไปพวกเราไปเกิดเป็นสัตว์เลี้ยฉันไปตกนรกหมกไหมไปอีกอแล้วก็บําเพ็ญถูกช่องถูกทางอีก ไปเกิดฉวันชั้นคลุมอีกเนี่ยมันโมกวนเวียนอยู่นี่ยแหละวัตะสงสารการหมุนเวียนไม่มีที่สิ้นสุดผู้แน่นอนจริงๆขึ้นนี่แหละคือพระโสดาบันนี่แหละพระโสดาบันเป็นผู้แน่นอนไม่มาเวียนไหวตายเกิดอีกแค่าหันหน้าระดับเกาะขึ้นคือว่าขึ้นไปเกาะบันไดขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่สเออพร้อมที่จะก้าวขึ้นไปไม่มีถอยหลังแบางั้นแต่แต่นอกจากนั้นลงมาแล้ว ไม่แน่นอนเป็นคติที่ไม่แน่นอนสูงสูงต่ำๆ่ำลุ่มๆุ่มดอนดอน เ, อเดี๋ยวก็สูงเดี๋ยวก็ต่ำอบอกขึ้นสูงขึ้นมาบำเพ็ญทานศีลภาวนาอย่างพวกเราเนี่ยโอ้ข้าพเจ้าเกิดมาพบนี้ชาตินี้ลําบากเหลือเกินทําไร่ทํานาทํามาค้าขายกว่าจะได้เงินได้คําทรัพย์สมบัติมาเลี้ยงชีพทุกเหลือเกินพวกเราก็ตั้งอกตั้งใจ มีอะไรก็เสียสละทําบุญทำทานตามอัตภาพจากนั้นก็รักษาศีลจากนั้นก็ไหว้พระสวดมนต์มีความมุ่งมั่นวะขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขเหน่อกว่าที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้เเท่าที่บุญกุศลของข้าพเจ้าได้กระทาอันนี้คือความมุ่งมั่นของพวกเราจากนั้นพอเมื่อเราล้มหายตายจากจากภพน้ชาินี้พวกเราก็จะต้องไปเกิดที่ดีขึ้นเพราะว่าบุญกุศลพวกเราได้ เตรียมได้ทําไว้แล้วก็ส่งขึ้นไปพอไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้มีอันจะกินในตระกูล เ, เกิดมาพวกเราก็ไม่ได้ใช้สติใช้ปัญญาไม่ได้รับการศึกษาที่ดีนะบางชาตินะแต่ถ้ารได้รับการศึกษาที่ดีก็มีก็ส่งต่อขึ้นไปเรื่อยๆ อ, อยู่นานหลายพบหลายชาติางงเหมนนแต่ถ้าหากว่า ไม่ได้รับการศึกษาที่ดีพอเกิดขึ้นมาเกิดชาติหน้าพลัมรวยขึ้นมาก็หลงในตัวเองเอีกบ้างไงพอหลงเข้ามาก็ทําความชั่วในขณะยังมีชีวิตอยู่มีแต่เอาเงินคําทรัพย์สมบัติที่ได้เสาะแสวงหามาที่เราได้มาด้วยตระ ก, กูลของเราเอามาใช้สัมเมาเลเทเมลทั้งรานารียอะไรก่อเอามาใช้ถลุงบํารุงบําเลตนทําไปในทางที่ชั่ว ตกงองเอกมาเกิดเป็นหมูเป็นหมาเป็นเป็ดเป็นไก่จากนั้นก็มาทุกข์พยายามไฟขึ้นมาออกข้าพเจ้าทุกข์เหลือเกิน อ, อ, อยากจะเกิดมาพบนาจารนาขอให้ข้าพเจ้าดีกว่านี้ในใจของสัตว์ทั้งหลายเขาใ่ความสุขด้วยกันทุกคนทุกวิญญาณอยากจะไต่เต้าขึ้นไปให้สูงให้มีความสุขที่สุด อ, อ, อย่างพวกเราต้องการความสุขในขณะนี้นะจากนั้นก็วิญญาณก็ไต่เต้าขึ้นมาอีก สูงขึ้นสู้งขึ้นพอสูงขึ้นสู้งขึ้นลืมตัวโดยกิเลสราคาโทสะโมหะหมุนกลับลงไปอีกนี่อันนี้แหละท่านว่าวัดตะวนันมันน่าเบื่อน่าเบื่อจริงๆนะเพรพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วการเป็นอยู่การเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตว์ทางหลายอย่างพวกเราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพนี้ชาาินี้ที่พวกเราเห็นนะั่นอ่ะพวกเราเห็นตัวเองด้วยเห็นคนอื่นด้วยเห็นคน หลายๆคนด้วยหูนวกตาบอดขาวิปริตที่พวกเราเห็นเหนนี่ยะดูดูแล้วมันต่างคนต่างเวียนไหวตายเกิดพราะพุทธเจ้ามองดูแล้วไม่มีที่สิ้นสุดท่านจึงมีวิธีการที่จะทำยังไงจึงจะไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏสงสารนี้อีกต่อไปเพราะนั้นพระองค์จึงสะสแสวงหาโมกขธรรมหรือส ะ, สะแสวงหาทางพ้นทุกขของพระองค์ ไม่มีทางอื่นนอกจากมรรคแปดศีล ส, สมาธิปัญญานี่แหละเป็นหนทางที่จะตัดพบตัดชาติไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารนี้อีกพระพุทธองค์จึงออกไปบวชบำเพ็ญที่ต้องหกปีนะเพราะท่านเป็นาศาสดาท่านเอายังจริงจังจากนั้นท่านก็บำเพ็ญจนได้ตัดเรู้ธรรม จากนั้นท่านจึงนําพระธรรมคําสั่งสอนมาสั่งสอนพระสาวกมีอัญญาโกนธัญญะปัญจวัคคีย์ทั้งหโกนธัญญะวะ ป, ปะัฏธิยมหานามอาจัยเชจจากนั้นได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลจากนั้นเขามาสอนพวกพระอะไรที่หนีไปบวชหนีไปป่าชา้ากลางคืนนั่นแหละจากนั้นก็มาสอนพวก ชดินสามพี่น้องอีกจนได้สาเร็จมรรคสาเร็จผลมาเป็นมากมากพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจากนั้นก็ท่านก็แนะนําสั่งสอนในยุคนั้นสมัยนั้นผู้ดใดสําเร็จมรรคผลมากต่อมากจนนับครณาหาประมาณไม่ได้อันนี้ก็คือพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนํามาแต่มาถึงพวกเราเดี๋ยวนี้ พระธรรมคำสั่งสอนก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่าศรัทธาของพวกเราปัญญาของพวกเราสติของพวกเราสมาธิของพวกเราที่อยู่เนี่ยมันยังไม่พร้อมบารมียังอ่อนทีาสรุปแล้วก็คือบารมีของพวกเรายังอ่อนยังไม่เต็มยังไม่บริบูรณ์แต่บางท่านอาจจะเต็มอาจจะบริบูรณ แล้วก็ได้แต่ถึงจะเต็มหรือไม่เต็มบริบูรณ์หรือไม่บริบูรณ์ใครเป็นคนทำให้เราไม่มีใครนอกจากตัวของเราทำให้ตัวของเราเองเพราะนั้นอย่างพวกเรามาวันนี้ก็มาเติมบุญมาเติมกุศลมาเติมบารมีใส่ในใจของพวกเรามีทานมีศีตมีภาวนามีขันติมีสัจจะมีอธิษฐานมีเมตตา สรุปแล้วก็คือปรมีสามสิบทัศน์นั่นแะสั่งสมปรมีสามสิบทัศน์เข้ามาสู่จิตใจของพวกเราเพื่อจะให้มันเต็มตื่นขึ้นมาถ้าว่าพวกเราไม่พ้นทุกในภพนี้ชาตินี้ก็ชาติต่อไปแต่ว่าถึงยังไงถ้าเป็นไปได้ก็จะให้มันจบจบในชาตินี้แหละไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอันนั้นหละดีที่สุด พอพบนาชาตดนากันอย่างนี้ไม่มีอะไรที่จะดีดียิ่งกว่านี้เกิดเป็นระดับหนึ่งก็ทุกระดับหนึ่งแต่ทุกคนต้องมีทุกขเกิดระดับไหนก็ต้องมีทุกขเพราะว่ามีแก่มีเก็บมีตายประจําสังขารประจํากายของตนเองอยู่ เ, เกิดระดับสูงมีเงินทรัพย์สมบัติไม่ขัดข้องอในเงินทรัพย์สมบัติในการเป็นอยู่ก็มีสิ่งที่มาทุกเข้ามาสู่จิตใจอีกอไม่รู้เรื่องอะไรต่อเรื่องอะไร เรียกว่าโลกอันนี้เต็มไปด้วยกองทุกข์าหาความสุขไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านมองดูหมดแล้วถึงเกิดอยู่ในระดับพบไหนภูมิไหนสูงต่ำขนาดไหนก็ตามแต่ก็มีความทุกข์ไม่เว้นแต่ละคนสรุปแล้วก็คื อ, อมรณะความตายเนี่นะเป็นความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดถึงคราวนั้นมนุษย์ไม่อยากจะตายแต่กรหลีดลี่หนีไม่พ้น เ, เพราะนั้น สิ่งเหล่านี้ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะบำเพญ็ญทานศีลภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ภาวนาเนี่ยแหละเป็นหลักทานศีลเราก็ทํามาก็ไม่ประมาททํามาแล้วแต่เรื่องภาวนาเนี่ยเป็นจุดที่สําคัญอย่างมากที่จะฝ่าฟันอุปสรรคนานับประการที่จะแวกไหววัฏจักรสงสารสู่ทางพ้นทุกได้นี่แหละ คือภาวนาเนี่เเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องธรรมะของพระพุทธเจา้าท่านเปียบเหมือนกับแพรแพรจะข้ามฝั่งแต่นี้พอเราขึ้นแพรพอข้ามถึงฝั่งแล้วเราไม่ได้แบกแพรเราขึ้นไปเลยนี้ก็เหมือนกันถ้าหากว่าเราภาวนาศีลธรรมของพระพุทธเจา้าธรรมะของพระพุทธเจา้า ที่พวกเราศึกษาปฏิบัติมีทานมีศีลมีภาวนามักแบกศีล ส, สมาธิปัญญาเนี่ยเป็นแพรแต่พอไปถึงฝั่งแล้วเราไม่ถือไปด้วยนะเราไม่ได้แบกขึ้นเราทิ้งไว้ไม่ต้องพูดถึงอาธรรมเหมือนแต่ธรรมะที่ของถูกทางแท้ๆถูกต้องแท้ๆยังไม่เอาขึ้นไปไม่เอาขึ้นไปนิพพานด้วยนี่ก็เหมือนกันนะั่นะ พวกเราที่บ่มเพนอยู่ขณะนี้เดี๋ยวนี้ก็พยายามสั่งสมบุญกุศลให้มีสั่งสมแพรทำแพรให้เดินเข้าไปข้ามฝั่งคือฝั่งคือพระนิพพานไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกการที่จะทำสมาธิให้ได้นะทำยังไงเียนะเรื่องทานพวกเราก็พอจะรู้การใสบาตรการเสียสละ ตลอดถึงการดูแลบิดามารดาของเราล้วนแล้วจะเป็นการเสียสละเป็นการทำทานการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่อันนี้ก็คือเป็นการสร้างคุณงามความดีอย่างนั้นก็ศีลการรักษากายวาจาอย่างเป็นญาตโจมศีลห้าที่เคยอธิบายให้ฟังศีลอุโบสถรักษากายวาจาให้เรียบร้อย ส่วนสมณเณรก็คือศีลสิบส่วนพระก็คือศีลสองรอยี่สิบเจ็อันนี้ว่าทานศีลและภาวานาเนี่ยภาวานาเนี่ยเป็นจุดที่จําเป็นเป็นจุดที่สําคัญอย่างยิ่งแต่พวกเราไม่ค่อยสนใจกันนะแต่มีทานมีศีลแล้วก็เออพอทําได้แต่พอถึงภาวานาเนี่ถอยหลังกูดอะไรแบบนั้น อ, อไม่สู่อะไรแบบนั้นเราก็ไม่รู้จักวิธีด้วยแล้วก็ไม่อยากจะศึกษาด้วย อ, อถ้าว่า ไม่เข้าใจก็ตั้งใจศึกษามันก็ยังพอมีหนทางนะอันนี้พอว่าพูดถึงสมาธิโอ้อยากอยากอยากย า, กอยากถอยเลยงนั้นเถอะแต่ตามไม่จริงไม่ใช่ของอยากเพราะ อ, อยู่กับตัวของเราทั้งหมดที่จะต้องประพฤติปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่ใดอยู่กับสติอยู่กับปัญญาอยู่กับการกระทำของพวกเราทุกๆ ท, ท่านเวิธีการปฏิบัติง่าย ไม่ได้เสียอะไรทั้งหมดอีกต่างหากเพียงแต่ทาใจสู้กับใจสู้กับกิเลสภายในใจของตนเองเท่านั้นนะแต่ต้องหนักทะนี้งานภายนอกเนี่ยว่าหนักหนักนะสู้กับกิเลสภายในใจตัวเองไม่ได้นะจะเอาธรรมะสู้กับใจของตัวเองนะไม่ใช่ธรรมดาใจของเราเนี่กิเลสขึ้นมานั่งบัญชาการอยู่ไม่รู้กี่พปกี่ชาติกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านชาติเต็มไปด้วยราคะ โสะโมหะนั่งเป็นกองบัญชาการอยู่นั่นแต่ที่นี้เราพยายามเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าน่ยขึ้นไปนั่งขึ้นไปนั่งเก้าอี้ตัวนั้นน่ะนั่งหัวใจพิจารณาดูให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นเป็นไตรลักษณ์ให้เห็นเป็นอสุภะปฏิ굴ให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงไม่มั่นไม่คงให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ทีนี้เอาธรรมะเข้าไปนั่งบนหัวใจของเรานั่นแหะแต่ไม่ใช่ของง่ายจุดนี้ก่อนที่จะไปสู้กันได้นะเพราะฉะนั้นท่านจึงมีกรรมวิธีหลายๆอย่างก่ากรร ม, มาฐาน40ของพระพุทธเจ้าที่ท่านวางเอาไว้อันใดอันหนึ่งไม่ใช่ว่าจะเอามาทั้ง40่แขนง40่สิแขนงไม่ใช่เอาเราหยิบมาแขนงใดแขนงหนึ่งมากินมาใช้ พุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติสีลานุสติจารานุสติอนุสตินี่อันใดอันหนึ่งอมาบริกรรมนะเอเวลานั่งสมาธิจากนั้นก็เวลานั่งสมาธิเนีนเนนะ่หาที่สงบเลยเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยเอถ้ามีเสียงออกมาข้างนอกเสียงมาจากหมู่บ้านพอมีเสียงเข้ามาเนหละใจของเรามาันก็ไม่เป็นสมาธิแล้วเขว ง, ข ว, งขวางแขวงขวางเรางั้นเถอะ แต่มันเป็นเสียงสัตว์ก็ไม่เป็นไรเสียงนกเสียงกาเสียงมะลงมะแรงอย่างนี้จ๊อกจอกแจก๊กแจ๊กอย่างนี้ไม่เป็นไรเนี ني, เพราะว่าเราไม่รู้ความหมายของมันว่ามันพูดเรื่องอะไรมันทําอะไรทําไมมันเป็นเสียงธรรมดาอันนี้ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสมาธิเพราะฉนั้นเวลานั่งสมาธิท่านจึงในหาสถานที่สงบอย่างที่วัดของพวกเราอย่างนี้แนหะหรือวัดที่ไหนก็ได้หรือว่าที่ไหนก็ได้รีสอร์ทที่ไหนก็ได้แต่เป็นที่สงบสงัดเป็นที่หลีเกเล่นนะ เป็นที่เหมาะแก่การภาวนาเสนาชนะสับ ป, ปายะ เ, าเซนาชนะที่อยู่อาศัยที่พักผ่อนในขณะนั้นช่วงนั้นเวลานั้นเป็นที่สงบสงัดาจากนั้นเราก็หาที่สงบสงัดยังกันนั่งสมาธิลอลไนี้หรือเราอยู่ในบ้านามุดในบ้านล้วก็บอกให้ลูกเต่าล้านเลนใครก็ตามงดโทรศัพท์งดโทรศั่งโทรทัศน์อะไรก็ตาม ปิดไว้หมดในขณะที่เราจะนั่งสมาธิไม่ให้มีสัญญาอารมณ์คิดว่าเราจะรับโทรศัพท์เราปิดไว้ก่อนในขณะที่เรานั่งพอปิดเสร็จแล้วอยู่ในห้องเงียบอยู่ในห้องแอร์ห้องอะไรก็ได้ที่สงบสงัดเป็นที่หลีกเล้นอยู่ตามลําพังจากนั้นก็นั่งสมาธิแล้วจะไหนขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้าหลับตา จากนั้นก็กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพุทโทพุทโทพุทโทไม่ให้คิดไปทางอื่นเพราะเราเคยคิดมาตั้งแต่เล็กจนใหญ่เราได้อะไรเรามาประเมินมาประมวลดูแต่บัดนี้เราจะทำคุณงามความดีเราจะนั่งสมาธิจะไม่ให้มันคิดสักหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันจะเสียหายขนาดนั้นเหรอถ้ามันคิดมันได้อะไรต้องพยายาม หาเหตุและผลมาบังคับจิตใจของตนเองให้ได้ในขณะที่เราจะสร้างคุณงามความดีเราจะภาวนาถ้าหากว่าปฏิพันธ์ไม่ทันใจเนะี่ยไม่ทันกับความคิดเนี่ยเดี๋ยวทะเลถลยได้เดี๋ยวก็โอ้เดี๋ยววันพวกนี้จะการงานนะ เ, เดี๋ยวนะมีเรื่องคิดนะเดี๋ยวมีเรื่องทำนะเดี๋ยวมันมีเดี๋ย ว, ยวหลาปกันคนที่สุดก็ล้มเหลวไป นั่งมาลองกลองแกงทั้งทิีน่าจะได้20่สสินาทีได้ชั่วโมงนะที่ตั้งใจเอาไว้แต่ทีแรกพอเข้าจริงๆได้ห้าเจนาทีถึงหงายพลอยละแต่นั่งดูโทรทัศน์วิดีโออะไรนั่งคุยอะไร เ, เท่าไหร่ก็ไม่ว่ากันไม่เสียเวลาเพราะ ง, งั้นแต่แต่ประกอบคุณงามความดีเนี่ยเสียเวลาอ่านั้นแปลว่ากิเลสท่านว่ากิเลสกิเลสภายในใจของเราเนี่ยมันรองอยู่ในสันดานของพวกเราเนี่ย มันชักนำไปในสิ่งที่มันชอบสิ่งที่มันชั่วไหลลงทางต่ำเนี่ยมันง่ายที่จะพักดันขึ้นไปทางสูงน่ไม่ให้มันคิดให้มันสงบให้มันนิ่งต้องสู้กับมันอย่างขนานหนักเลยเท่านะเป็นวัดสู้กับกิเลสไม่ใช่สู้อย่างง่ายๆนะสู้อย่างหนักหนักมากเพราะนั้นการประพฤติปฏิบัติทำไม่ใช่ของธรรมดานะ ต้องสู้กับกิเลสภายในใจของเราเพียงแต่พื้นฐานสมาธิเพียงเท่านี้นเราก็รู้แล้วว่ามันเป็นยังไงนั่งเฉยห้องแอร์ A A ก็ไม่สู้เหมือนกันถ้าเราไม่จิตใจไม่มุ่งมั่นจริงๆเพราะนั้นบางท่านท่านจึงได้รับสติรับปัญญารารับความสงบในขณะที่มีทุกข์ในใจบางทีเราอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยบางพระหรันบางองค์ อ้อพระหันบางท่านที่ท่านได้สาเร็จมรรคผลนิพพานท่านเก็บไขได้ป่วยโอ้ข้าตายแน่ๆแล้วขาวนี้จิตใจมันหมุนเตี้ยวพอมาหาตัวเองเน๊ะไม่ให้ส่งไปทางนอกเด้หมุนเตี้วพอมาหาตัวเองกําหนดพิจารณานร่างกายสังขาปรปุโรหิตปล่อยวางได้สําเร็จเป็นพระหรหันในขณะที่มีทุกเหมือนั้นเถอะออบางคนก็ยังว่าพอมีทุกเข้ามาแล้วจีนี่ คิดถึงอกถึงหลานถึงผี่ถึงน้องถึงหมูถึงเพื่อนทําไมไม่มาช่วยข่าบางข่าช่วยคนอื่นใบต่างเยอะแยะอทําไมถึงข่าวของข่าไม่มีใครมาดูมาแลเจ้เลยมีแต่เพ้อฝันออกไปข้างนอกอันนั้นไม่ได้เสียหลักทารักสนั่งงานเนี่ยเสียหลักถ้ากว่าอถึงข่าวจนเจมาถึงข่าวเจ็บไข้ได้ป่วยมาถึงข่าวทุกมาจะติปัญญาวิ่งเข้ามาหาตัวเองปุ๊บกรรมของข่า กรรมของเราเราเกิดมาต้องเป็นอย่างนี้ดอกออกจากนี้หลีมหนีไม่พน้นอีกจะนี่ไปก็ตายได้ทุกคนตายใครจะมาช่วยหรือมาไมาช่วยคนที่มาช่วยแล้วก็ตายเหมือนกันไม่มีใครหลีกลี้หนีพ้นไปได้เกิดมาในโลกตายทั้งหมดพิจารณ า, าดูตัวของเราอย่างนั้นนะใจของเราก็จะมีกำลังใจของเราจะมีเหตุมีผลใจของเราจะรู้แจ้งเห็นจริงปล่อยวางปล่อยวาง ในความคิดต่างๆความรู้ต่างๆความเห็นต่างๆมีแต่หมุนเตี้ยวหาธรรมะอะไรบางเนี่ยเ อ, เอาธรรมะเข้ามาประพฤติปฏิบัติจะพิจารณาอะไรก็เห็นแจ้งชัดจริงในกายในใจของพวกเราเห็นร่างกายของเราเออร่างกายอ น, นี้ตั้งแต่ เ, เกษาโลมานขาทันตาตาโจหนังเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยเราจะพิจารณาเป็นเอาพิจารณาเนื้ออย่างเดียวทดตรองเลยสิเนื้อขาไปไงเนื้อแขนไปไงเนื้อ ทุกสันหลังไปยังไงเอาเอาเนื้อออกมากองกองมีแต่เนื้อนี่ยเหมือนกับเนื้อหมูเนี่ยเป็นยังไงร่างกายของเรามันเป็นเนื้ออย่างนั้นจริงไหมเนีจริงมันมีเอ็นมีกระดูกใช่ไหมจริงมีตับไตไส้พุงมีกระพกเพาะกระเพาะอาหารมีลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยจริงไหมจริงเราเห็นตามความเป็นจริงแล้วนั่นแหะร่างกายของเราไม่ใช่ของมีสาระนะ ใจของเรามายึดมาถือมันเฉยๆนะเพราะนั้นต้องเข้าใจนะอีกสักวันนึงจะต้องแตกตับแน่นอนนะคือสอนใจตัวเองจากนั้นพอสอนใจเอาธรรมะมาสอนใจใจก็รู้ตามความเป็นจริงนะเมื่อใจรู้ตามความเป็นจริงจิตใจก็จะเกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นพอไม่ยึดมั่นถือมั่นก็ปล่อยวางจิตใจก็หลุดพ้นจากกิเลสธนาบาน เอกิเลสอยู่ในใจของเราปล่อยวางหมดเอเป็นพระรหันโดยที่ไม่ต้องตั้งใจแล้ว่างั้นเถอะเมื่อเพียรณารู้แจ้งเห็นจริงแล้วนะ่ะมันปล่อยวางหมดแล้วเนะี่ยหมดไม่มีอะไรยึดมัน่นถือมั่นเห็นด้วยปัญญาเอิจริงว่างั้นเถ อ, อะเอเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยมรรค้วยผลจริงๆเนะี่ยมันเห็นจริงๆรนะิงยแต่ตามไม่จริงเมื่อเราคิดธรรมดาเนี่ เราเห็นธรรมรดาด้วยสัญญามันไม่ซึ้งเนะ เ, เห็นความตายกับพารณาถึงความตายเห็นโยความตายคนอื่นตายก็เห็นสัตว์ตายก็เห็นแต่มันไม่ซึ้งเน๊อันนั้นไปว่าเห็นด้วยสัญญาเห็นด้วยสังขารคือความปรุงแต่งแต่ถ้าเห็นด้วยปัญญาคือความเห็นตัวแจ้งเห็นจริงเห็นด้วยปัญญาเนี่ยมันจะซึ้งมากมันซึ้งเข้าไปสู่ขัวของหัวใจคนเน๊พอถึงซึ้งเราก็ปล่อยวางได้เลย มันน่ากลัวจริงๆนะเกิดมาแล้วตายทำให้คนจึงสนุกสนานได้ทําไมคนจึงไม่ประกอบคุณงามความดีทําไมคนจึงอลุ่มหลงกับสิ่งเหล่านั้นอนี่จากนั้นจิตใจพ่อเมื่อรู้ตามความเป็นจริงนั้นแล้วก็ปล่อยวางแหละปล่อยวางทางเรื่องต่างๆจิตใจก็หลุดพ้นจากกิเลสนี่แหละอขอให้พวกเราทุกๆท่านนะ อ, อันดับแรกก็คือนั่งสมาธินี่แหละ ศีล ส, สมาธิเนี่ยนะทานศีลเนี่ยเราทำมาแล้วนะจากนั้นสมาธิก็หาแหล่งหาที่สงบแต่ละวันนะบางทีตอนหัวค่ำแล้วก็นอนพักผ่อนซะพอดึกลูกหลานสงบแล้วไม่มีเสียงอะไรแล้วก็ออกมาหานั่งอยู่ที่ตรงไหนก็ได้นั่งสมาธิดูจิตดูใจของตนเองนะฝึกหัดไว้อยู่เสมอเสมอแต่ละวันจะให้มันขาดบางั้นแต่ แต่เราทำได้สม่าเสมออยู่อย่างนั้นจิตใจของเราก็จะเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆครูบาอาจารย์ท่านแนะนำท่านบอกให้ฟังเราจะจับประเด็นได้เลยแต่ถ้าเราไม่เคยทำท่านพูดก็ไม่รู้ว่าพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้เนสมาธิจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ปัญญาจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เแต่ถ้าว่าพวกเราได้ศึกษาปฏิบัตินะท่านพูดเรื่องศีลเราก็รู้พวดเรื่องทานเราก็รู้เรื่องสมาธิ จิตใจทําสมาธิเป็นยังไงเราก็จะรู้จิตใจเกิดปัญญาพิจารณาอะไรปล่อยวางอะไรพวกเราก็จะรู้นะขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านบําเพ็ญกุศลไปเรื่อยๆนะอย่าประมาท ถ, ถึงจะทํำยังไงชีวิตของพวกเราก็จะถึงจุดจบวันหนึ่งแน่นอนเมื่อถึงจุดจบแล้วไม่ศูนย์นะไม่ศูนย์ใจ ต้องปฏิสนที่ไปเกิดอีกแน่นอนเมื่อไปเกิดนั้นพวกเรารับประกันไม่ได้ว่าอันไหนจะเข้ามาสวมใจของเราในขณะที่พาไปแต่ถ้าว่าพวกเรามีสติมีปัญญาได้ฝึกฝนดีแล้วนะคุณงามความดีก็จะพาพวกเราไปสู่สุคติขณะที่ไม่พ้นทกนะแต่ถ้าาว่าพวกเราไม่ได้ฝึกไม่ได้เตรียมตัวเอาไว้นะ นะความชั่วทั้งหลายก็จะมาหลุ่มมาตุ่มพวกเราพาไปสู่ทุกขติคือความทุกข์ถึงข่าวนั้นแล้วไม่มีใครช่วยใครนะอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของต น, นโกหินาโถโปรโสียาคนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้ น, นอกจากเราจะพึ่งเราเท่านั้นนะ่ะในถึงจุดนั้นพราะนั้นพ่อแม่พี่น้องปูย่ย่าตายายญาติมิตสหายเพื่อนรักขนาดไหนก็เถอะ ช่วยได้ระดับหนึ่งเท่านั้นเองต่างคนก็ต่างไปเท่นีน้เพราะนั้นเราต้องคิดถึงจุดนั้นเราจะสร้างคุณงามความดีเราจะไปห่วงไปอะไรคนอื่นมากเกินไปคนอื่นห้ามปา้ามเราไม่ให้สร้างคุณงามความดีเราจะไปเชื่อเขามากก็ไม่ได้เพราะทุกคนทํากรรมมาเรามาเกิดเราก็มาเองเราตายไปเราก็ไปเองไม่มีใครไปด้วยกับเรา มาเกิดเราก็มาคนเดียวเรามาเกิดเรามีอะไรมาด้วยแอบมือมาไม่ใช่าหรือผ้าก็ไม่ติดมาสักชิ้นเดียวเวลาเราตายไปแล้วก็เอาเงินใส่ในปากอเอาเงินใส่ในที่ไหนก็ทิ้งไว้หมดไม่เอาไปกระดูกตัวเองเออกไปด้วยไม่ได้นอกจากฟิญนยาณไปยังไงมายังไงก็ไปอย่างนั้นเพราะนั้นเราจะไปหลงโลกหลงทางจนมากเกินไป ต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางนะรู้จักปล่อยรู้จักวางทางด้านจิตใจบ้างอย่าเป็นกลุ่มหลงมัวเมาจนเกินไปเนี่ยขอให้พวกเราทุกๆท่านสร้างบุญสร้างกุศลใส่จิตใส่ใจเอาไว้เป็นผู้ไม่ประมาทอีกสักวันหนึ่งจะถึงแดนแห่งความนทุกข์ถึงแดนแห่งความกเกษมไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้อีกต่อไป การพูดก็เห็นว่าสมควรต่อไปก็ฟังธรรมเทศนาขององค์หลวงตา